ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคมภีร์ชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัชกิตาจารย์ชาวสีลังการัชนาต่อไปจะเป็นการพรรณนาพระพุทธคุณก้าบทในบทที่ว่าวิชาจารณะสัมปันโนในคำนี้ว่าอิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโน แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเทียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะที่ชื่อว่าวิชาเพราะรู้แจ้งคํานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาที่ชื่อว่าจรณะเพราะเป็นเหตุไปตู่อมะตะทิศคือพระนิพพานได้แก่คุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นท่านจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่ายานเหล่านี้คือวิปัสสนาญาณ มโนมยิทิยานอิทธิวิทยานทิพโตตยานยานกำหนดรู้จิตของผู้อื่นคือเจโตปริยญาณปุเปนิวาสานุสติญาณทิพภะจักขุญาณอาสวรคยญาณคือวิชาแปกในที่นี้ระดับธรรมกายของพระมุนีเข้าถึงท่ามกลางคุณอันงามอย่างวิเศษในสาถานั้นมีอธิบายว่าคาว่าวิปัสสนาญาณัง วิปัสนาญาณความว่าพระเสขะและปุถุชนทั้งหลายเมื่อเห็นแจ้ย่อมเห็นด้วยกา ม, มาวจรัอุสรจิตส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเห็นแจ้งด้วยพระสัพพัญยุตยานคำว่ามโนมยิทธิมโนมรยิทธิญาณความว่ า, โโโโ า, ว า, วาอภิญญาญาณมาแล้วด้วยคำเป็นต้นว่าภิกษุนั้นเนรมิตรกายอื่นจากกายนี้มีรูปสาเร็จด้วยใจ บทว่าอิทธิ ป, ประเพโดอิทธิวิทยานความว่าอภิญญายาณคือการแผลงฤทธิ์มาแล้วโดยในเป็นต้นว่าคนคนเดียวแสดงเป็นคนหลายคนได้คําว่าทิพโสตังทิพโสตยานได้แก่อภิญญายาณที่สามารถฟังเสียงแม้ในที่ไกลได้คําว่าปรัสเจโตปริยายายานังยานกําหนดรู้จิตของผู้อื่น คือเจโตปริยญาณได้แก่อภิญญาญาณที่สามารถเพื่อรู้จิตของชนเหล่าอื่นได้คําว่าปุเบนิวาสานุคตัญจายานังปุเบนิวาสานุสติญาณได้แก่อภิญญาญาณคือปุเพนิวาสานุสติญาณที่สามารถระลึกชาติที่สัตว์เคยอยู่ในการก่อนได้คําว่าทิพจักขุทิพจักขุญาณ คืออภิญญายานที่สามารถเห็นรูปในที่กำบังมีฝาเป็นต้นได้คำว่าอาสวัสังขยโย อ, อาสวัคยะยานคืออารหัตตมัคยานที่กระทาความสิ้นไปแห่งอาสวะคำว่าเอตานิยานานิอิทธถวิชาญาณเหล่านี้คือวิชาแปดในที่นี้ความว่าญาณเหล่านี้ท่านเรียกว่าวิชาแปดในที่นี้คือ ในฐานะนี้ส่วนวิชาสามมาในพระวินัยก็ในยาณเหล่านั้นยานสามนี้คือปุเบนิวาสานุสติยานหนึ่งจุตูปปตาตยานคือทิพยจักขุหนึ่งอาสวัคยายานหนึ่งท่านกล่าวตามลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุในสามยามนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวอภิญยาไว้ห้าประการคืออิทธิวิทยาน หนึ่งทิพสะโสตญาณหนึ่งเจโตปริยญาณหนึ่งปุเบนิวาสานุสติญาณหนึ่งทิพะจักกุญาณหนึ่งรวมห้าประการท่านเพิ่มอาสวัคยญาณเข้าในญาณห้านั้นแล้วกล่าวว่าอภินยามีหกนี้ก็เป็นวิชาแปดจารณะทั้งหลายอภินยา6หกนะก็เพิ่มญาณห้าเข้ามาแต่ว่าเป็นวิชาแปก็เพิ่ม วิปัสนญาณกับมโนมนยิทิเข้ามาก็ดยกลายเป็นวิชาแปรต่วนจรณะทั้งหลายก็คือศีลความถึงพร้อมด้วยศีล น, นะก็รวมจะตุปาิสุดที่ศีลไปเลยแต่ว่าปาฏิโมกสังวรนะั่นแหละเป็นประธานศีลอันประเสริฐอินตรยาสังวรการสำรวมอินทรีความรู้จักประมาณในโพชนะความมันประกอบความตื่นก็คือชาคริยานุโยคแล้วก็ศรัทธายิริโอตปะ อผู้โหสถคือสุตตะเนี่ยความเป็นผูด้ได้ศึกษามากความเพียรสติปัญญาแล้วก็ฌานสี่คือปฐมฌานทุทน ต, ติยฌานตติยฌานแล้วก็เจตุตฌานธรรมสิบห้าประการนี้นั้นเป็นธรรมที่ควรรู้ว่าเป็นจารณนะพระจอมุนีทรงชื่อว่าเทียบพร้อมด้วยวิชาและจารณนะเพราะประกอบด้วยวิชาและจรณะเหล่านี้นันก็ เจรณาสิบห้านี่ก็คืออะไรสีนอินรยสังวรโพชเนมัตัญยุตาชาคริยาุโยคธรรมสิอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็สัตทธรรมเจดก็คือสัทธาหิริโอตตาสุตตาวิริยะสติปัญญานะอีเจ็ดเป็นสิบเอ็ดชานิตีชาหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, ก็เป็นสิบห้าอย่างอันนี้เป็นเครื่องดำเนินไปเรียบเหมือนกับเท้าทั้งสองข้างนะในสองคาสานั้นมีอธิบายดังนี้คาว่าสีลัง ศีนอธิบายว่าชื่อว่าศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงรักษาแยกเป็นข้อๆย่อมไม่มีพระองค์ทรงวดเว้นจากคำทุศีลทั้งปวงได้อย่างเด็ดขาดแล้วฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีศีลงามคําว่าวรังอันประเสริฐนี้พึงประกอบในคำทั้งปวงคําว่าอินดริยะสังวโรจะอินดริยสังวรอธิบายว่า อุเบกขามีองค์หกที่เป็นไปแล้วในอารมหกมีรูปที่ไปถูกคลองในทวารหกชื่อว่าอินตรยสังวรความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคชื่อว่าโพชเนมตัญยุตาความรู้จักประมาณได้แก่การพิจรารณาแล้วบริโภคการไม่หลับชื่อว่ามันประกอบความตื่นคือชาคริยานุโยกสำหรับผู้อื่นการแบ่งวันเป็นหกวันเป็นหกส่วน แล้วนอนหลับในมัชชิมยามแห่งกลางแห่งในราตรีนะในยามท่านกลางแห่งราตรีก็คือประมาณตอนอตีทุ่มถึงตีสองอเป็นช่วงมัชชิมยามประกอบความเพียรในภาวนาในห้าส่วนนอกนี้ชื่อว่ามีการหมั่นประกอบความตื่นก็คือชาคริยานุโยกแต่สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่มีการนิทรา เพราะว่าทรงบรณฑ์ด้วยตถาคตสายยานะเป็นการอบรรทมในฌานสี่เข้าฌานสี่อะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อย่างลงตู่ผวังเหมือนกับคนทั่ ว, ท, ว, ท, ว, ท, วทั่วไปเนี่ยนะพระองค์ก็สําเร็จสีหัสายายการแต่ว่าทรงเข้าฌานสี่เป็นตถาคตสายยานะก็ไม่ใช่เป็นภวังปกติก็คนทั่วไปก็ตีชั่วโมงในมัชฌิมยาณแล้วก็เข้าภวังอะนะนอนหลับ คว่าพ ร, พ, รพระพุทธเจ้าก็าเข้าฌานสี่คำว่าศรัท ธ, ธาก็แปลว่าศรัท ธ, ธานั่นแหละคือความเชื่อที่ผ่องใสดีแล้วอันสัมปยศ ด, ด้วยพระสัพพายุตยานดุจทองคำที่ละลายแล้วบนปากเบ้าคาว่าหิโรตตะปังฮิริโอตตปะคือหิริที่มีลักษณะรังเกียจบาปโอตะปะที่มีลักษณะสะด้งกลัวบาป พระโหตตังความเป็นผู้ได้ศึกษามากคือความเป็นผู้ที่ได้ศึกษามากสิ่งที่ฟังแล้วจึงรู้ชื่อว่ัสุตตะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ได้ทรงสดับสิ่งที่ฟังแล้วจึงรู้เลยแต่ย่อมทรงทราบดุดได้ทรงสดับมาแล้วในอดีตก็ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่นกอนๆแล้วนะปัจจุบันก็เลยไม่ต้องศึกษาความเป็นผู้โสตก็พรั่งพร้อมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้โสตคือผู้ได้ศึกษามาก ภาวะแห่งผู้ได้ศึกษามากนั้นชื่อว่าความเป็นผู้ได้ศึกษามากคำว่าประกตโมความเพียรคือความเพียรชอบคำว่าสติก็คือสติสติที่ตั้งมั่นดีแล้วคำว่ามัตติคือปัญญาหมายถึงปัญญาเปรียบดังเพชรคาว่าจตาริชานานิชาณสีได้แก่รูปประจรนชาณ อรูปฌานก็รวมอยู่ในจตุจักรนั่นแหละเพราะฉนั้นก็เท่ากับสมา บ, บัติแปดเลยนะฌานสี่ในที่นี้เพราะว่าอารมูปฌานอีกสนะี่นั้นก็สงเคราะห์อยู่ในจตุจัารเพราะเสมอกันด้วยองค์ด้วยสามารถที่สัมปยศกับอุเบขาและเอ ก, กคตาคําว่าติปัญจธรรมมาทำสิบห้าประการได้แก่ทำสิบห้าประการทำสิบห้าประการแต่ว่าห้าสามเป็นสิบห้านะ เป็นสามหมวดสามหมวดก็คืออะไรศีเศรษฐียสัสรวงโภชเนมัตาโภชเนมัตันยุตาจารยานโยกนี่หมวดหนึ่งแล้วก็สัตยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งก็ฌานสี่อีกหมวดหนึ่งก็เป็นสามหมวดรวมทั้งหมดก็เป็นสิบห้าอย่างคําว่าจารณานี้ชัญญาควรรู้ว่าเป็นจารณนะความว่าทํามสิบห้าประการพึงรู้ว่าชื่อว่าจรนะารณะคําว่าเอเตหิวัชชาหิจะสัมปโยคา รประกอบด้วยวิชาเหล่านี้ความว่าเพราะความที่พระผู้มีพระพาเจ้าทรงสัมพยุตด้วยจารณธรรมสิบห้าประการเหล่านั้นและด้วยวิชาแปดประการที่กล่าวแล้วข้างต้นคําว่าสัมป น, นะวิชาจรโนมุนินโดพระจอมุนีทรงชื่อว่าเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะความว่าพระจอมมุนีได้ชื่อว่าทรงเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะ ในวิชาและจารณะนั้นความถึงพร้อมด้วยวิชาดำรงอยู่ทำความเป็นพระสัพพัญยูของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้บริบูรณ์แล้วความถึงพร้อมด้วยจารณะดำรงอยู่ทำความเป็นผู้มีกระน า, ากให้บริบูรณ์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นทรงทราบประโยชน์และสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งปวงเพราะทรงเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงคือพระสัพพัญยูนั่นเองทรงเว้นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทรงชักนำในประโยชน์ เพราะความเป็นผู้มีพระกรุณามากคือมหาการุณิโกเหมือนอย่างผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพราะเหตุนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระองค์จึงเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไม่เป็นผู้ปฏิบัติชั่วในคำนี้ว่าอิติปิโสภควาทุขโตอันนี้เป็นบทใหม่แล้วนะเป็นพระคุณในบทที่ว่าทุขโตในวิชาจรณะสัมปันโนนี้จบแล้ว ในคำนี้ว่าอิติปิโสภะวาสุขโตแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วเพราะเสด็จไปสู่ที่ดีทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วเพราะทรงมีการเสด็จไปงดงามทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วเพราะเสด็จไปโดยชอบทรงชื่อว่าตรัสดีแล้วเพราะตรัสไว้แล้วโดยชอบ ในคําเหล่านั้นคําว่าสุนทรังฐานังคาตตาเพราะเสด็จไปสู่ที่ดีความว่าสู่ที่อันดีคืออมตะนิพพานนิพพานนี้เป็นที่ที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าไปแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่พระนิพพานานั้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานที่แห่งโพธิบัลลังชื่อว่าที่อันดี จริงอย่างนั้นสถานที่ใดเมื่อจั ก, กรวาลจํานวนแสนโกดพินาศไปในสังวัตกะย่อมถึงความพินาศในภายหลังย่อมตั้งขึ้นก่อนในวิวัตกะดอกบัวที่เกิดในน้ํางอกขึ้นแล้วจากที่ใดในกับนั้นเกิดแล้วในกรมโลกย่อมให้บริหารตามจํานวนแก่พระทศพลทั้งหลายผู้บางเกิดขึ้นในวิวัตถายีกับเป็นสถานที่อันไม่วันไหว ในเมื่อพระโพธิสัททั้งหลายผู้บำเพ็ญบา ร, รมีแล้วบรรลุคุณอันหาประมาณมิได้ในกัปนั้นเป็นโพงเหมือนโรงแห่งกลองจนถึงพระวกระพรมมิใช่วิมานแม้พรมก็เหาะข้ามไม่ได้เป็นสถานที่บูชาของนาคครุฑมนุษย์อสูรเทพพรหมและพระเจ้าจากักรพรรดินักสถานที่นั้นมีต้นอัศทะโพพฤกตามต้นตรงกลมเนียนสนิทหมดจดดี ยืนต้นอยู่ในที่อันอุดมอันเป็นที่ตั้งแห่งใจแผ่นดินหรือวัสดือแผ่นดินเริมฝั่งแห่งแม่น้ําเนรัญชาราในอุรุเวรชนบทในแว่นแคว้นชาวมคตทั้งหลายมีใบสีเขียวตลอดเวลาดุดแผ่นดุดแผ่นกำหางของนกยูงที่กําลังลําแพนติดกันเป็นพืชใบอ่อนสีแดงงดงามแสงรุ่งเรืองคล้ายกลีบหน่อแก้วประพานมีจุดแสงทั่ว พื้นธรณีแต่งเติมพื้นปตพีทั้งสิ้นให้หน้าอิ่มเอิบดุจบรรดากิ่งที่ถูกลมพัดไหวเบาๆจะฟ้อนรำเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะเกิดบนผ้าพื้นที่มีชัยมีร่มเงาเย็นดุจทไทที่เยือกเย็นด้วยกรุณาที่โคนต้นโพนั้นมีอัปราชิตะบัลลังก์อยู่ที่นั้นเป็นที่อันดีเพราะฉะนั้นพระโพธัตว์พระพเจ้าของเราก็ เสด็จไปยังที่อันดีก็คือไปที่โพธิมณฑนนี้อันเป็นเหมือนกับสะดือแผ่นดินครั้งแรกที่บังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะสูนสลายไปในที่สุดในตอนที่กับปินาตก็จะทำลายไปในภายหลังนะแต่เวลาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นก่อนก็ท่านอธิบายว่าสถานที่ตรงต้นพระศรีมหาโพนั้นถือว่าเป็นสะดือแผ่นดินนะ ดังคำในข้อความว่าสัว บ, บ้าบุธานางชยะปัญลังกัสสะปัทวีนาพีปูตัสสะมหาโพธิมันดัสสะอุปริภาเคบนภูมิภาคมหาโพธิมณฑลอันเป็นสะดือแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นบรรลังแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สี่พระองค์มาแล้วนะ คำว่าข้าโตเสด็จไปแล้วความว่าในการนั้นพระมหาบรุษทรงเสวยข้าป่ายาตที่นาสุชาดาถวายแต่เช้าตรู่อย่างไม่ลำบากแล้วทรงพักผ่อนกลางวันในป่าไม้สาระที่เขียวหน้าเรื่อนรมที่กว้างใหญ่ซึ่งออกดอกมีกลิ่นหอมดีทรงปฏิบัติทบทวนกระทำสมาบัติให้ชนานาญเมื่อดอกไม้สีทองมีกลิ่นหอมดีลนจากขั่วตกลงบนจีวร ในเวลาเย็นเมือ่อสายฝนดอกไม้มีดอกราชพฤกษ์และดอกทานตะวันเป็นต้นที่เทวดาและอสูรบูชาตกลงมาไม่ขาดระยะเมื่อเทวดาอสูรกินนอนและนางฟ้าให้สาธุการอยู่สิบสังหตีโลกธาตุก็สั่นสะเทือนอบอวนด้วยจุนไม้จันหอมดอกบัวบกและทูกมีธงชัยและพวงมาลัยงดงามหลากหลายในดงกะมน และโกมุตสวยงามที่รวมของหยาดน้ำหวานของดอกบัวมีหมู่ปลาสีดอกไม้ต่างลิงโลดในหมู่ปลาแล้วก็สีดอกไม้ลิงโลดสายลมพัดโ ช, ชยมาอ่อนๆออนพระมหาบุุษเสด็จไปใกล้ต้นโพธิ์ตามผลทางที่หมู่เทพตกแต่งแล้ว บุจพญาราชสีเจ้าแห่งหมู่เนื้อเดินเยื้องไกลเพื่อตะครุบกระพองช้างตกมันเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วอีกอย่างหนึง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชื่อว่าเสด็จไปดีแล้วเพราะมีการเสด็จไปงดงามจึงอยู่การเสด็จไปท่านเรียกว่าเสด็จไปดีแล้วคตะนะการเสด็จไปก็คมนะัมมณะเสด็จไปดีแล้วก็ขะตะก็การเสด็จไปของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น งามหมดงามหมดจดหาโทษมิได้ก็การเสด็จไปนั้นคืออะไรคืออริยมรรคจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปสู่ทิศอันกเกษมไม่ทรงติดขับด้วยการไปนั้นเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าเสด็จไปงามเพราะมีการเสด็จไปงามอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าโสภณะนะคมมณัตตาเพราะมีการเสด็จไปงามคือการเคลื่อนไปดุดภูเขาแก้ว แสงเจิดจ้ารับกับสายรุง้งนับร้อยกลมตื่นกับแสงยามเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงมีพระสริระประดับด้วยมหาปุริสลักษณะส2สิสองประการและพระอนุพยัญชนะแปสิบประการมีพระเกตมาลาเปร่งพระรสมีสร้างออกประมาณวานหนึ่งเสด็จดำเนินไปงามดุจพญาช้างตัวรับมันดุจจะทรงให้เบาใจด้วยพระยุคลบาท ที่ประดับด้วยลักษณะกงจักซองสว่างประเทศนั้นทั้งสิ้นให้หน้าใคร่หน้าพอใจอย่างมากด้วยพุทธสิริอันหาที่เปรียบนี้ได้ด้วยความวิลาศของพระพุทธเจ้าอันไม่ทั่วไปสเสด็จจาริกไปในคามนิคมและราชธานีทั้งหลายอันพิสูุน์โถมูใหญ่พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาอยู่สเสดไปแล้วเหตุนั้นจึงทรงชื่อว่าสเสดไปดีแล้ว ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะเสด็จไปอย่างนี้ทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ย้อมดีแล้วสีดอกทองกวาวแดงย้อมน้ำคลั่งปกปิดมนลทนทั้งสามดุดบุคคลตัดดอกบัวด้วยกันไกทรงคาดประคตเอวมีสริดุดสายฟ้าดุดบุคคลเวียนรอบตาดอกปทุมด้วยสายรัดทองคำทรงห่มผ้าบางสกุลจีวร อ, อันประเสริฐที่ย้อมดีแล้วมีสีเหมือนกับผลใส ดุดจับภูเขาจักรวาลภูเขาสิเนรุภูเขายุคันธรและมหาปตภีทั้งสิน้นเขย่าจนหวั่นไหวดุดบุคคลผูกคลุมกระพองช้างด้วยผ้ากาพลแดงดุดบุคคลซัดข่ายแก้วประพานไปบนเครื่องประดับทองสูงร้อยร้อยศอกดุดบุคคลสวมผ้าคลุมกำพลแดงบนสุวรรณเจดีองค์ใหญ่ดุดเทพเจ้าปกปิดพระจันทร์เต็นดวงที่โคจรไปอยู่ด้วยก้อนเมฆสีแดง ดุดบุคคลประทรมน้ำคลางใสบนยอดภูเขาทองดุดบุคคลเวียนรอบยอดภูเขาจิตตกูตด้วยตาข่ายสายฟ้าสเสด็จออกจากไพรศนหรือจากเสนาสนะที่พระองค์ประทับนั่งดุดสีหะไกลศร อ, ออกจากชัดป่าดุดพระจันเพนที่แวดล้อมแล้วด้วยหมู่ดาวโคจร อ, อยู่ท่ามกลางท้องฟ้าดุดพระอาทิตย์โผล่ขึ้นบนยอดภูเขาอุทย์คีรี ขณะนั้นพ ร, รพระรัศมีทั้งหลายต้านออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดุดช่อสายฟ้าแลบออกจากด้านหน้าก้อนเมฆเป็นสายสีทองแดงเรืออาบเสาค่ายปราศาสและเรือนยอดเป็นต้นในขณะนั้นแหละทิศสูงมู่ใหญ่ถือบาดและจีวรของตนของตนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทิศเหล่านั้นที่ยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้เห็นป่านนี้คือมีความมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปารกความเพียรกล่าวสอนอดทนถ้อยคาท้วงติงตัณห์บาปสมบูรณ์ด้วยศีนสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตมววมติญาณทัศนะอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันดิตุเหล่านั้นแวดล้อมแล้ว ทรงรุ่งเรืองแล้วดุจแท่งทองห่อผ้ากำพลแดงดุจนาวาทองเล่นไปตามท่ามกลางดอกปทุมสีแดงดุจปราศาสทองแวดล้อมด้วยท่านแก้วประพานพระมหาเถระทั้งหลายมีพระมหากัสปะเป็นประมุขห่ผมผ้าบางสบุญจีวรสีดังเมฆคลายราคะแล้วทำลายกิเลสแล้วสางรกชัดแล้วตัดเครื่องผูกแล้วไม่ติดข้องในตระกูลหรือว่าในคณะ แวดล้อมดุจพญาช้างถว่เกาะแก้วมณีพระผู้มีพระภาคเจ้าเองทรงปราศจากราคะแวดล้อมด้วยบุคคลผู้ปราศจากราคะทรงปราศจากโทสะแวดล้อมด้วยบุคคลผู้ปราศจากโทสะทรงปราศจากโมหะแวดล้อมด้วยบุคคลผู้ปราศจากโมหะทรงข้ามพ้นกิเลสแวดล้อมด้วยบุคคลผู้ข้ามพ้นกิเลสไม่ทรงมีกิเลสแวดล้อมด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลส ตัดสรู้เองแวดล้อมด้วยผู้ตัดสรู้ตามทั้งหลายสเสด็จดำเนินสู่หนทางนั้นๆด้วยเพศแห่งผู้ตัดสรู้อันหาผู้เสมอมิได้ด้วยความวิลาชของผู้ตัดสรู้อันหาประมาณมิได้ดุดเกสรดอกไม้แวดล้อมด้วยกลีบดุดดอกกัญญกาแวดล้อมด้วยเกสรดุดพญาช้างฉัดทันแวดล้อมด้วยช้างแปดพันเชือกดุดพญาหงษ์ทัตรัดแวดล้อมด้วยหงษ์เก้าหมืนตัว ดุดพญาดุดพระเจ้าจากักรพรรดิแวดล้อมด้วยหมู่เสนาดุดเท้าส ก, กเทวราชแวดล้อมด้วยหมู่เทวดาดุดมหาพรหมหาริตะแวดล้อมด้วยหมู่พรหมดุดพระจันทเพ็ญแวดล้อมด้วยหมู่ดาวลำดับนั้นพระพุทธรัศมีหนาทึบสีดังทองพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องบนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบศอก พระพุธรัศมีหนาทึบสีดังทองพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องพระบริดางจากพระปัดขวาจากพระปรัดซ้ายไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบศอกพระรัศมีหนาทึบสีดังคอนกยูงพุ่งขึ้นจากพระเกศาวัดทั้งหมดก็เวียนขวานะตั้งแต่ปลายพระเกษาไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบศอกบนพื้นท้องฟา พระพุทธรสหมีสีตั้งแก้ประทานพุ่งออกจากใต้พื้นพระยุคลบาทลงไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบศอกในแผ่นดินหนาพระพุทธรสหมีหนาทึบสีขาวพุ่งออกจากพระเนตรขาวทั้งสองข้างจากพระนขาพ้นจากพระมังสะจากพระอุณาโลมทัท t h ไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบศอกพระรัษมีสีหงสบาทสีแสดแก่พุ่งขึ้นจากพระ รัศมีสีแดงและเหลืองสลับกันไปจับที่ไกลประมาณแปดสิบซอกพระรศมีสีเลื่อมพลายพุ่งขึ้นไปตลอดที่ทั้งปวงพระพุทธฉับพันณรังสีส่องสว่างสถานที่รอบด้านไกลประมาณแปดสิบซอกดังนี้แผ่ท่านละลิบเล่นไปทั่วทุกทิศนุทิศดุดแสงประทีปดวงใหญ่เปล่งแสงจากประทีปด้านทองแผ่ไปทั่วท้องฟ้า ดุจเปลวประทีปดวงใหญ่ทั้งสี่ทิศดุจสายฟ้าแลบออกจากเมฆ ก, ก้อนใหญ่ในทวีปทั้งสี่เป็นเหตุให้ทิาภาคทั้งปวงสว่างสวยัยดุจแปลวพลาวด้วยดอกจำปาทองดุจรดด้วยน้ำแร่ทองที่ไหลออกจากหม้อทองดุจคลุมรอบด้วยแผ่นทองที่แผ่ออกดุจโปรยปลายด้วยดอกทองหลามและดอกกันิกาที่ถูกลมเว ร, รำพาพัดตัดขั่วมา ดุดผงแป้งที่มาจากเมืองจีนปลิวมารวมลงท่าสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดับแล้วด้วยพระอนุพยัญชนะแปดติตรการและพระมหาบุริษลักษณะสามิบสองประการรุ่งเรืองเป็นวงรอบด้วยรัศมีประมาณวาหนึ่งรุ่งเรืองแล้วดุดท้องฟ้าที่ต่าศจากสิ่งมืดมัวคือเมฆน้ำค้างควันไฟฝุ่นละอองและราหู สว่างสวัยด้วยหมู่ดาวที่สองสว่างดุจ ด, ดงดอกปทุมที่แย้มบานดุจต้นปาริชาตสูงร้อยโยนดซึ่งผลิตดอกซึ่งผลิตดอกบานทั้งต้นดุจจะเอาสิริครอบงามสิริแห่งพระจันทร์สันติสองดวงพระอาทิตย์สันติสองดวงพระจันทร์พระเจ้าจั ก, กรพรรดิสันติสองพระองค์เทวราชสันติสององค์มหาพรหมสันติสององค์ที่ดำรงอยู่ตามลําดับ เป็นเหมือนกับว่าระดับด้วยบา ร, รมีสามสิบทัศที่บำเพ็ญแล้วโดยชอบคือบา ร, รมี1ิอุปบา ร, รมี1ิด บ, ร, ร, มบ ร, รมัตาบารมีติดบังเกิดขึ้นด้วยทานที่ให้แล้วด้วยสีที่รักษาแล้วด้วยกรรมอันงามที่กระทำแล้วตลอดสีอสงไขยหนึ่งแสนกับที่ดุดไม่ได้โอกาสจะให้ผลจึงมารวมกันในอัตภาพหนึ่งอย่างเนืองแน่น ดูดการที่พวกกรรมกรยกสิ่งของที่บรรทุกบนเรือหนึ่งพันลำขึ้นสู่เรือลำหนึ่งดูดการที่พวกกรรมกรยกสิ่งของที่บรรทุกบนเกวียนพันเล่มขึ้นสู่เกวียนเล่มหนึ่งดูดการที่น้ำในแม่น้ำยี่สิบห้าสายไหลามารวมเป็นน้ำสายเดียวกันที่ปากน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปด้วยพุทธสิรินี้ดังพนนา ม, มาชนนี พวงมาลัยเก้าชนิดมีดอกไม้สีเขียวสีเหลืองเป็นต้นและดอกจำปาดอกอุบลแดงอุบลเขียวอุบลขาวดอกพิกุลดอกไม้ที่เกิดในแม่น้ำสินธุเป็นต้นผงของหอมมีสีเขียวและสีเหลืองเป็นต้นฟุ้งกระจายดุดหยาดน้ำฝนที่ตกโปรยปลายมาจากเมฆใหญ่ในทิศทั้งสี่เสียงกึกกล้องแห่งดนตรีมีองค์ห้าและเสียงชมเชยพุทธคุณธรรมคุณและสังคุณ กระหึ่มแล้วดุดคนตะโกนเต็มทั่วทิศทั้งปวงในตาของพวกเทวดาครุฑน้ายักษ์คนทันและมนุษย์หยาดเยิม้มดุดดื่มน้ำอมฤตก็การที่จะคงอยู่ในฐานะนี้ควรจะกล่าวพรน า, นาการเสด็จดำเนินจำนวนร้อยบทพันบทแสนบทในข้อนั้นจะกล่าวพอเป็นแนวทางดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระสารพางอย่างนี้ทรงเป็นผู้นำโลกสเสด็จดำเนินไปจนมหาปัตตภีหวั่นไหวแต่ไม่ตรงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นผู้องอาจในหมู่ชนทรงสมบูรณ์ด้วยสิริทรงสูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าสเสด็จดำเนินยกพระบาทขวาก่อนย่อมทรงสง่างามเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดสเสด็จดาเนินพื้นใต้พระบาทอ่อนนุ่ม สัมผัสพื้นดินที่เรียบเสมอก็ไม่เปื้อนฝุ่นละอองแผ่นดินซึ่งไม่มีเจตนาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาผู้เป็นผู้ทรงเป็นผู้นำโลกสเสด็จดำเนินไปที่ลุ่มก็ดอนขึ้นที่ดอนปราบเรียบแผ่นหินก้อนกรวดกระเบื้องตอและหนามทุกอย่างก็เว้นทางถวายในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำโลกเสด็จดำเนินไป พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปไม่ต้องวางพระบาทก้าวยาวในที่ไกลไม่ต้องยกพระบาทก้าวสั้นในที่ใกล้เสด็จดำเนินพระชานุและข้อพระบาททั้งสองไม่เสียดสีกันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นมุนีทรงถึงพร้อมด้วยจารณะไม่เสด็จดำเนินเร็วณักไม่เสด็จดำเนินช้านัเสด็จดำเนินไปมีพระไถยตั้งมั่น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปไม่ทรงมองเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางทิศใหญ่ทิศน้อยทรงทอดพระเนตรเพียงชั่วแอบพระชินจ้าพระองค์นั้ทรงมีอาจาระงดงามดังพญาช้างสง่างามในการเสด็จดำเนินทรงเป็นผู้เป็นเลิศแห่งโลกเสด็จดำเนินไปงามนักทรงทรมนุษย์โลกกับทั้งเทวโลกให้ราเริง ทรงสง่างามดังพญาอุสพรรา่าดังไกรสอนราชสีผู้เที่ยวไปทั้งสี่ทิศทรงยังสัตว์เป็นอันมากให้ยินดีเสด็จไปถึงหมู่บ้านนั้นๆชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปงามอย่างนี้ชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปชอบชื่อว่าพระสุคตเพราะไม่เสด็จกลับมาสู่กิเลสทั้งหลายที่ทรงละได้แล้วด้วยมรคนั้นๆโดยชอบในที่นี้ สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าชื่อว่าพระสุคตเพราะไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาคือไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสทั้งหลายที่พระองค์ทรงละได้แล้วด้วยโสดาปจิมัคชื่อว่าพระสุคตเพราะไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาคือไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสทั้งหลายที่พระองค์ทรงละได้แล้วด้วยสกทาคามิมัคด้วยอนาคามิมัคและด้วยอารหัตมัค อีกอย่างหนึ่งเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำประโยชน์เชื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกทั้งหมดด้วยสัมมาปฏิบัติที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาแล้ว3ามสบทัศตั้งแต่บาดมูลพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงควงต้นโรสเสด็จไปด้วยมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าไปตวนตุดเหล่านี้คือสัจสตทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิการ ม, มาสุขันลิ ก, า, ก, ลกานุโยคและอตตะกีรามานุโยค เหตุนั้นชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปแล้วโดยชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสโดยชอบคือตรัสพระวาจาสมควรในฐานะอันสมควรเหตุนั้นชื่อว่าพระสุคตเพราะแปลงทอักษรเป็นตอักษรในข้อนั้นมีพระสูตรเป็นเครื่องสาธกดังต่อไปนี้พระตถาคตย่อมทรงทราบวาจาใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นพระตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้นพระตถาคตย่อมทรงทราบวาจาใดที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นพระตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้นพระตถาคตย่อมทรงทราบวาจาใดที่จริงที่แท้ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นพระตถาคตทรงรู้การที่จะตรัสวาจานั้นพระตถาคตย่อมทรงทราบวาจาใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นพระตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้นพระตถาคตย่อมทรงทราบวาจาใดที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนทั้งหลายเหล่าอื่นพระตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้นอันหนึ่งพระตถาคตย่อมทรงทราบวาจานใดที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเหล่าอื่นในข้อนั้นพระตถาคตทรงรู้การที่จะตรัสวาจานั้นบัณฑิตพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาเจ้าทรงเป็นพระตุคต แม้เพราะตรัตวาจาโดยชอบก็คือเพราะตรัตโดยชอบด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีพระวาจาที่ทรงทราบแล้วจะตรัสแต่ว่าจะรู้การจึงตรัดนะก็คือวาจาใดที่ต้องเป็นความจริงแท้แน่นอนนะแล้วก็ต้องประกอบด้วยประโยชน์ด้วยแต่ว่าจะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชนลาอื่นหรือไม่ก็ตามนะหรือว่าเป็นไม่เป็นที่รักหรือว่าเป็นที่รักก็ตามพระองค์ ทรงรู้การที่จะตรัสวาจานั้นแต่ว่าวาจาใดที่ไม่จริงและวาจาใดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้ไม่ตรัสแน่นอนเลยอาจจะตรัสแต่วาจาจริงประกอบด้วยประโยชน์แต่ว่าการที่เป็นที่รักหรือว่าไม่เป็นที่รักแก่ชนเอาอื่นนั้นไม่เป็นประมาณนะแต่ว่าให้เขาได้รับประโยชน์ก็ใช้ได้และ ว, วันนี้ก็สมควรกัเวลาก็คอยต้านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีศรัทธามีปิติปราโมทในการน้อมนําคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไป อบรมเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เป็นอารมณ์เป็นอาหารแก่ศรัทธาซึ่งศรัทธานั้นก็จะเป็นธรรมะที่อยู่ในระดับของศีลศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีศีลเมื่อเป็นผู้ที่มีศีลไม่ทําให้มีความเดือดร้อนใจคือมีอวิปฏิสานก็จะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทเป็นปัจจัยจากปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสติเป็นปัจจัยแก่ความสุขแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่ อธิจิตติกขาก็คือสมาธิเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็ย่อมทําให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อน้อมไปในการที่จะรู้อริยตัตทั้งหลายโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกขเปนหน้าตาโดยการรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงนะก็จะสามารถตัดรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมตจจิกขาเพื่อบรรลุโล ก, กุตรธรรมโดยการตัดรู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคประชุมพร้อมอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็สิ้นวัตตะทุก์โดยเร็วพันด้วยเทินสาธุสาธุ ตาทุ